بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم عل عل لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل ا ق د ة من لساني يفقه ا ق, ق و ل ي اللهم جعلنا من المهتدين اللهم جعلنا من المتقين ا, أ وال وال وال ل ل ه h u m m a innā nas'aluk al-huda wa al-tuqā wa a l ʿ a n f a لِمَا ل ِ ك ل ِّ م ا ف ي ه خ ي ر ب ر, ر ح م َ ت ك ي ا ر ح م َ و ع ز ن ا م ن ك ل ش ر ٍّ ي ا ل ا ل ج َ ل ا ل و ا ل إ ِ ب ر ا م ا ل ح م د ل ل ه ش ك ْ ر ُ ا ل ل ه سبحانه وتعالى หรับคำคืนนี้นะครับเป็น ตอนสุดท้ายของสุราอับาสะอัลฮัมดุลิลละนะครับอีกสุราหนึ่งที่เรากำลังจะได้เสร็จสิ้นในการอธิบายถือว่าเป็นสุราที่มีเนื้อหาสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในความเป็นจริงในแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ชิดมากนะกับความเป็น ความเป็นไปของเราทุกๆคนนะครับเฉลาะวันนี้เราจะมาดูกันในช่วงอตอนท้ายของสราาาุรษานภาษว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่อัลลอฮฺสุบฮานาตละลาต้องการที่จะบอกให้เราทราบนะครับตั้งแต่อายะห์ ท, ที่33เป็นต้นไปอายะห์ ท, ที่33หน้า61 มาอ่านกันก่อนอัลลอฮ์อ้างอุบิลลาฮิมินอชชัยตานอัลรจีม فإذا جاء الصخر يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه وأمه ومعيه وصاحبته وبنيه. لكل ا م ر ِ منهم يومَ إ ذ شأنُه يغني، و ج و ه يومَ إ ذ مص. ض ا ف ك ت ُ م مستبشِرَة، و و ج و ه ه يومئذ عليها غبرة. ترهقها قت رهم أولئك هم الكفرة الفجارة الحمد لله. فإذا جاءت الصخة الله أكبر لا إله إلا الله فإذا جاءت الصخة ต้งอ่านยานะครับอักษร ให้มีตัศดีด้วยแล้วก็อ่านยาด้วยเหมือนกับเวลาที่เราอ่านว่าบ h e ballin 6รกานะครับเราเรียกว่ามัดลาซิบนะฮะมัดลาซิบมุสักลกะลีนนะอัซซัะเป็น พี่น้องลองฟังเสียงดูให้ดีลองฟังสังเกตเสียงดูแล้วคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วฟังเสียงฟังเหมือนกับฟังเขาเรียกว่าสัมนวนฟังลักษณะอักขร ะ, อะของคํานะครับมีความรู้สึกอย่างไรพอฟังเสียงอย่างนี้ก็อ่อานธรรมดาก็ได้ถ้าไม่มีภาษาไทยดูกูอ่านไปด้วยตามไปด้วยจะได้ อะไรก็ได้เขาอ่านอะไรที่ทมีแปลก็ได้ดูคราอ่านไปด้วยไหมเ อ, อย่า อ, อยู่เฉยๆจะ ใช่ไหมครับทำเลยละเอาซค อ, อหมายถึงวันเกียร์มัดเป็นชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกวันเกียรมัดชื่อของวันเกียรมัดเนี่ยมีอยู่หลายชื่อมีนะครับมีการเรียกวันเกียรมัดหรือวันแห่งการวันสิ้นโลกเนี่ยมีหลายชื่อแต่และชื่อเนี่ยจะออกลักษณะอย่างนี้เหมือนกันเลยอย่างเช่น الحقة, ซูร่าอัลฮ ah ักเควะวมะอเดราะกะมะอัลฮักเควะออกเสียงใ น, นลักษณะที่ก่อให้เกิดความรู้สึเกเขาเรียกว่าความรู้สึกขยาดความรู้สึกกังวลความรู้สึกที่มันอัดเข้าไปให้เรารู้สึกกลัวอัลซัชก์ เราเคยเรียนโซลท์หนึ่งก็คืออัลกอริย์วันเกียร์มี่จะมีชื่อแบบนี้ทั้งนั้นมีชื่อแบบเหมือนกับกําลังตีนะตีหัวใจตีเพื่อที่จะฮะจะให้มันละลายนะความรู้สึกที่ติดยึดติดอยู่กับอะไรนะความรู้สึกที่มันยึดติดอยู่กับดุนยาเนี่ยมันละลายไปเพราะฉะนั้นชื่อแต่และชื่อของวันเกียร์มัตเนี่ยน่ากลัวนะครับอ إ ذ ا จะอธิษฐานเมื่อเสียงกำลางมา ถ, ถึง เอศาซ า, าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเสียงดังใส่หัเสียงมาแบบเสียงวีดนะเสียงวีดดังมากใส่หัเหมือนเสียงฟาร้องใหเสียงตะโกนเหมือนเสียงฟังดูแล้วน่ากลัวมากดังจนถึงขนาดว่าทำให้อูหูอื้อทำให้หูเนี่ยเหมือนกับหมดสภาพแล้วนะเสียงดังในระดับที่หูไม่สามารถจะรับฟังได้ เดิมๆเนี่ยคําของมันเนี่ยเอามาจากคําว่าซอกซอกหมายถึงเวลาที่เขาตีหินน่ะลองสังเกตไหมเวลาที่เขาตีหินเนี่ยเขาใช้อะไรตีตีหินใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆที่ทำหินแกลลิศหินอะไรเนี่ยเขาจะเอารถใหญ่ๆมาตีหรือเอาค้อนใหญ่ๆมาตีตีหินปึ๊งปึ๊งปึ๊งเสียงดังแบบนั้นแหละคือเสียงของอโซค อ, อเราอยู่ใกล้ไม่ได้ถ้าได้ยินเสียงแบบนี้ลองนึกถึงสภาพ ของวันเกียมัดดูว่ามันวันจะเป็นยังไงอัสสลามุอะลัยคำว่าฟาอิซะจะยูยนะครับจูจูห่าเราอยู่สบายสบายดีๆอย่างนี้ลองนึกไปสิ่งที่เราเรียนเมื่อวันก่อนดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องอะไรครับใครจําได้บ้างฮะเราเรียนเรื่องความสุขสบาย เรื่องความสุขสบายที่เรากินอยู่บนโลกกินแอปเปิลกินเงาะกินผลไม้รากไม้ที่อัลลอฮฺนับมาให้เราทั้งหมดเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องความสุขสบายแล้วอยู่ๆวันนี้ทําไมอัลลอฮฺบอกว่าเมื่อเสียงกำพนาดมาถึงแบบไม่ทันตั้งตัวลักษณะการยกอายะฮ์อัลกุรอานมามันก็เหมือนกับวิธีการที่จะสอนเราให้รู้ว่าความตายวันเกียร์มะเนี่เวลาที่มันมาเนี่ย มนุษย์ไม hey, ่ทันตั้งต ah ัวพี่น้องครับในอัลกุรอานเนี่ยจะมีลักษณะการที่จะมาบอกให้มนุษย์ทราบระลึกถึงวันกียติ์เนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยหลายหลายที่ด้วยกันอย่างเช่นนะครับในสุรยูนสที่อัลลอฮอกล่าวว่าอินนามาเมสลุล حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به ن ب ا مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلًا أو نهارًا وجعلناها حصيدا كألم ت غ ن َ بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم ي ت ف ع و ن ลักษณะคล้ายกันกับที่ Allah อัลลอฮฺตะลาพูดถึงในสุราะอัมบสสาสะอัลลอฮฺตะลาบอกว่าเปรียบโลกดุนยาเนี่ยเหมือนกับน้ําฝนที่ Allah อัลลอฮฺตะลาประทานลงมาจากฟ้าฟักตะละตอ beneath the earth ในน้ําฝนเนี่ยอัลกุรอานบอกว่ามีเชื้อมเมล็ดพันธุ์ของพืชต่างๆปนอยู่ด้วย Allah อัลลอฮฺตะลาเอามาจากท้องฟ้านะฝนละหมากราบไม้ที่เราพูดถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปนมากับน้ําฝนจากอัลลอฮฺสุลผานจากข้างบน สุภานัลนอหลนะครับไม่มีที่ไหนบอกอย่างนี้นอกจากในอัลกุรอานจากนั้นนะมิม f a ก t a tabihi nabatul al นริสกีของเรานี่มาจากน้ำฝนพร้อมๆกับลเชื้อเม็ดผลไม้ต่างๆเนี่ยวัลลอฮอยู่ในรูปแบบไหนแต่ด้วยน้ำฝนที่เราเห็นนะด้วยน้ำฝนนี่แหละที่ทำให้อะไรหญ้าต่างๆมันงอกขึ้นมาเหมือนที่เราเรียนนะครับ ผลละอ่างุนงอกขึ้นมาผลไม้ที่มียืนต้นก็งอกขึ้นมาผลไม้ที่เอะอะไรนะบนบนบนบนพื้นเนี่ยที่มันเลื้อยไปตามพื้นเนี่ยมันก็งอกจากน้ําฝนนี่แหละสุภาพนบอลาเราจะเลาบอกวา่าผสมกับเชื้อของเนบะทุลอัตพืชของแผ่นดินเนี่ยอยู่ในน้ําฝนนั้นมิมายะกุลเนส่วนอนามในสิ่งที่มนุษย์นั้นใช้กินและสัตว์ใช้กินมาถ้าอัลละคุ้ม ว่าเลอแหนมิคุสยังไงซ่นี่มูอะย์อะย์ที่สีอะบดลาตฮ์พระเจ้อาลับอกว่ามาต้าเลคุมว่าเลอแหนมิคุณถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถอาถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้า้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้า้้ ฉันจะได้เอาพืชผลนี่เอาไปขายเอาไปทําอย่างนู้นอย่างนี้อาจ้าฮอัมรุนาไลลันเอานาะาหะอยู่ดีๆเนาะถ้าเป็นชาวสวนลองกองเนี่ยจะเครียดมากวันไหนที่เข้าไปในสวนแล้วเห็นลองกองเขาเรืองสวยแล้วอยู่ดีๆกลางคืนนั้นฝนตกนะฝนตกไม่ต้องมากฝนตกนิดเดียวไปดูพรุ่งนี้เนี่ย เอามือก ำ, กำหัวแล้วแตกหมดครับอันนี้คนที่มีสวนลองกองจะรู้จะรู้ซึ้งดีไม่รู้ว่าแถวนี้เนี่ยนะอะไรมั่งที่ลองกองเนี่ยอะไรเขาเรียกวิธีการดูแลรักษายากที่สุดเลยตั้งแต่ออกดอกนะเราพวกเราเนี่ยหลายคนตรงนี้เนี่ยเป็นลูกเช่าสวนเช้าสวนลองกองนี่จะรู้เลยการดูแลลองกองนี่เป็นอะไรที่ยากมากตั้งแต่ออกดอกมาเนี่ยต้องไปตัด ตัดกิ่งตัดตัดดอกให้มันเหลือแค่ดอกใหญ่ๆที่มันยาวๆพอมันออกลูกมาก็ต้องไปตัดอีกต้องไปอะไรอีกระวังมากเลยไม่ให้โดนน้ำฝนเพราะถ้าโดนน้ำฝนปุ๊บเนี่ยจากเดิมต้นหนึ่งนี่ได้เป็นหมื่นเนี่ยไม่เหลือสักบาทเนี่ยแล้วก็หนาบอกว่าดุน ي าก็อย่างนี้แหละดุนยาเนี่ยเราเห็นเขียวขจีเน่ยตอนนี้เราสุขสบายดีอยู่ดีดี อยู่ดีๆวันเกียัติก็มาถึงแบบไม่ให้เราได้ตั้งตนะครับอ้าวสิบิลละมินซาลิกนะอาจจาอมรุนะเล่ันอู่นฮาระฟ้าห ع ل ีดัน ح ص ي د ا ล أ มท ث غ นาบิลอ م س ي เพราะฉะนั้นลักษณะการนำเสนอของอัลกุรอานในสุฮะอัลบาซาเนี่ยต้องการที่จะบอกเราว่าถ้อิจาะอจิสาขอโอ้มนุษย์เอยทางกลางความสุขสบายที่เจ้าใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันด้วยความหลงลืมมาลอกสุานะตะละด้วยความ นะโดยการใช้เนี่ยมัทเทอ่าตาลาประธานมาเพื่อทำมะเสยียดต่อพระ อ, องค์เองกุตนะิลนเอนแทณมาอัตฟาะใช้ทุกอย่างที่เลอราตาลาประทานให้ในในการทำผิดต่อพระ อ, องค์ในการทำบาปต่อพระ อ, องค์ระวังให้ดีเมื่ออะไรที่เสียงนี้มาถึงเสียงอะไร อ, อัศรขจะเกิดอะไรขึ้นยามายฟิรุลมรุมินอคีวันนั้นแหละนะถ้าหากว่า ในโลกนี้นะเวลาที่เรามีงานเลี้ยงเนี่ยเรามันนั่งเรียกลูกๆหลานๆญาติโยมมิตรสหายมากินมาดื่มมาฉลองกันแต่ถ้าเมื่อไร่ที่วันเชียร์มัดมาถึงเนี่ยสเปะสปะหมดเลยหนี้ก็หมดกระเจิดแตกกระเจิงกันหมดเลยเยามยายสิรุลมรุมินอขีวันที่คนคนหนึ่งจะหนีจากพี่น้องของครับไม่รู้จักแล้วอยวว่าแต่เพื่อนอขีพี่น้องของเขาเอง ว่าอมมีฮีว่าอับบี้ไรครับแม่ของเขาพ่อของเขาใ น, นบนโลกนี้นี่เวลาที่เรามีทุกมีมีปัญหามีอะไรเนี่ยเราจะไปหาพ่อไปหาแม่ไปขอความช่วยเหลือจากพ่อจากแม่แต่วันนั้นไม่มีละไม่มีนี้ออกจากพ่อจากแม่ไม่สนใจว่าซาฮิบติฮีว่บันนี่จากภรรยาของตัวเองจากลูกของตัวเอง น่าวันนี้นะถ้าอะไรเครียดเครียดกลับไปบ้านไปเจอลูกไปเจอเมียก็รู้สึกสบายใจพอถึงมันวันที่อซาะขะอัลฮะกะอัลการะลักษณะของวันแกะนั้นต่างๆที่พูดถึงในอัลกุรอานมาถึงเนี่ยไม่มีแล้วครับนัฟซีนัฟซีอัลลอฮฺอัลลอฮฺมิลองลองนึกถึงสภาพของวันนั้นดูนะ ลิขุลิมริอิมินหุมเยหูมะอิจชนุยุนีวันนั้นทุกๆคนแต่ละคนในหมู่มนุษย์นั้นมีภาระที่ตัวเองจะต้องมีภาระที่เพียงพอแก่เขาเลยหมายทั่ว่าจะไปยุ่งอย่างอื่นเนี่ยไม่ทันแล้วนะขนาดร่างของตัวเองนี่ก็ยังเอาไม่อยู่แล้วแล้วจะเอาจะเอาเวลาที่ไหนไปไปยุ่งกับคนอื่น มีการอธิบายด้วยนะครับจากอุลามะว่าทําไมทําไมที่บอกว่าวันเกยียรติเนี่ยมนุษย์ไม่สนใจคนอื่นสนใจแต่ตัวเองไอ้ لكل إنسان يوم القيامة شأن يشيله عن الأقرباء ويصرفه عنهم หมายถึงว่าวันเกยียรตินั้นมนุษย์แต่ละคนนี่จะมีภาระที่ตัวเองจะต้องยุ่งอยู่นะครับทําให้ไม่สามารถที่จะไปดูแลคนอื่นละ แม้กระทั่งคนที่รักคนที่เราอยู่บนโลกนี้รักเขาที่สุดนะพ่อเราแม่เราลูกเราวันนี้เนี่ยถ้าลูกเราไม่สบายเนี่ยไม่นอนกลางคืนใช่ไหมครับไปหาหมอพาไปหาหมอพาไปทำอย่างนุ้นทำอย่างนี้อ๋อเราบอกมันไม่อยากจะคิดเลยว่าความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไงความรู้สึกที่ว่าเราไม่เอาลูกอะ่ะเคยมีไหมครับบนโลกนี้มีอยู่วันนึงที่เราแบบว่าลูกเราเนี่ยเราทิ้งแบบ คงคงคงยากมากที่จะหาความรู้สึกแบบนี้บนโลกนี้หรือบุพการีของเราเองอ่นะถ้าคนปกติถ้าคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่เสียแต่ไม่เสียสติไม่เมาไม่ไม่ใช้ยาเสพติดไม่มีใครที่ทรัอยากจะเป็นลูกทรัพีแต่วันกียรติเนี่ยอ๋อหนักขนาดนั้นเลยครับหนักขนาดที่ว่าแม่เรานี่เราไม่อยากจะมองหน้าพ่อเราเนี่เราไม่มองหน้าลูกเราเนี่ยไม่เอาเพราะว่า ตัวเองนี่ก็ยังไม่รู้จะรอดไหมชะนุยอยู่นี่นะครับผู้เองก็จะเอาจะเอาตัวไม่รอดแล้วอัลลอั์นี่คือคำอธิบายอันที่หนึ่งว่า i l a มีคำอธิบายอีกว่า innama yafiru عنهم حذرًا من م ط ม ل ب ت ه م إياه بِما بينهم การที่มนุษย์นั้นหนีจากญาติโยมมิสหายต่างๆเหล่านี้นี่เพราะอะไรเพราะว่า กลัวว่าญาติของเราพี่น้องของเราเนี่ยจะมาเขาเรียกจะมาอะไรจะมาขอความช่วยเหลือจะมาเอาผ ล, ลบุญจะมาเขาเรียกว่าจะมาเอาส่วนบุญจากเราเนี่ยมาโมทาและบะตูโุมอียะจะมาขอเรียว่าจะมาทวงมาทวงมาทวงจากเราเนี่ยเอามาให้ฉันบ้างฉันเคยเลี้ยงเจ้ามาฉันเคยทําดีกับเจ้ามาบนโลกวันนี้นี่ยฉันขอส่วนของฉันจากจากเธอด้วย ก็เ <Yeah. S 2> ลยหนีไม่อยากเจอเหมือนลูกหนี่หนีเจ้านี้นี่คือความหมายอันที่สองทั้งสองสภาพนี้ผมว่ามันน่ากลัวทั้งสิ้นนะครับมีก็ที่บอกมีวะกีเละยาฟิรุอันหุมเลอล ا ยาโร ف มาหัวฟีฮีมินาชิดเดฟข้หมายอันที่สามบอกว่าที่เราหนีจากคนเหล่านี้นี่เพราะว่า ไม่อยากให้เขาเห็นสภาพที่เราเป็นอยู่ในลักษณะที่เรากําลังเก็เรียกว่าอะไรกําลังหมดสภาพอ่ะกําลังขับขันเต็มที่ก็เลยไม่อยากให้ใครมาเห็นสภาพนี้นะเหมือนเหมือนเราเวลาที่เราเกิดอะไรต่างๆที่มันดูแล้วมันไม่ค่อยดีอ่ะเราอยากจะให้คนอื่นเห็นไหมบนโลกนี้นะครับในวันเกียรมัดก็เช่นกันวันเกียรมัดนี่เราหมดสภาพแล้วไม่รู้จะคิดอะไรแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากให้ใครเห็นไปอยู่คนเดียวเงียบๆหนี นะครับนี่นี่คือความหมายที่สามว่ากี่ละ لعلمه أنهم لا ي ย ع و ن ه ولا يغنون عنه شيئا. บางคนก็บอกว่าที่นี้ไปนี่เพราะว่าเขารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าถึงจะไปเจอถึงจะไปคุยด้วยคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆแต่อย่างใดเลย ไม่มีไปเจอพ่อเขเท่านั้นไปเจอแม่ก็เท่านั้นไปเจอลูกเขเท่านั้นไปเจอใครก็เท่านั้นไม่มีอะไรไม่มีใครที่สามารถให้ความช่วยเหลือนอกจากใครครับนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานตะลาเพียงพระองค์งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นสภาพของการของการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาในวันกียมติ์นี่มันมีฮาเดสที่บอกถึงความน่ากลัวความความทุกยากแสนสาหัสแสนเข็นนะครับความลําบากอันมหันในวันกียมตยิ์เนี่ย รอว่าเมื่อไหลเลาอะไ ร, ะออะไรจะจะจะจะทรงสอบสวนสักที้วนะไม่ใช่ว่าพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอา้าสอบสวนเลยนะไม่ใช่ฟื้นมาจากพอเป่าแตรทั้งที่สองเนี่ฟื้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในสภาพที่ล่อนจ้อนเปลือยกายไม่มีอะไรทั้งสิน้นนะท่านอับดุลเบีบอกว่าเปลือยกายหมดเลยอังชัดถามว่าน่าไม่อายกันหรือย่ารัสูละลลอ้วันที่เราลุกขึ้นมนุษย์ทุกคนขึ้นมาลุกขึ้นทั้งหญิงทั้งชายทั้งหมดเนี่ย ไม่มีใครใส่เสื้อผ้าอะไรเลยเนี่ยไม่อายกันเหลอท่านนาบีตอบว่าอย่างไงท่านนาบีตอบว่ายะอชาวันนั้นสภาพของวันนั้นเนี่ยมันหนักกว่าที่จะอายกันแล้วไม่มีใครสนใจจะดูของใครหรอกเพราะว่ามันหนักมากแล้วบางคนนี่จะต้องคลานไปบางคนก็ต้องเดินต้องไหวในแวกว่ายในน้ําเหงื่อของตัวเองไปบางคนนิตาเนี่ยรุ่งกอภาษาของอัลกุรอานบอกว่า ตานี่เป็นสีน้ำเงินเราไม่รู้ยังไงตาสีน้ำเงิ น, นแบบไหนเคยเห็นไหมตาสีน้ำเงินตาเนี่ยเหมือนกับว่าด้วยความด้วยความไม่รู้จะไม่รู้จะอธิบายว่ามันมันทุกแสสาหยังไงเนี่ยตาเนี่ยเป็นซุรกาลาอิลาฮ์อิล allah ลาอิลาฮอิลอัลลอฮมอนนอุบคนอาซาบลอาครอัลลอฮมอนนอุบนฟินติลอาครรับเดิน เดินไปยังณจุดที่จะเป็นจุดสอบสวนแล้วไปนั่งรออยู่ท่ามกลางความร้อนระอุข้ามกลางความาผู้คนต่างๆจากคนแรกนบีอาดัมอะเลฮิสซาลาไปถึงคนสุดท้ายเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นหมดเลยและไม่ได้รอนะครับยืนรอนั่งรอว่าเมื่อไหร่อัลลอฮฺสุบะจะอะไรจะทรงสอบสวนสักทีจะได้ไปสวรรค์สักทีจะได้ไปนรกสักทียังไม่ไปนรกเนี่ยก็ เรียกร้องแล้วอยากจะให้อัลลอฮฺสอบสวนเร็วๆตรงนั้นแหละนะครับไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของอัลลอฮฺ س ب ح ا ล ه และคนที่จะอยู่ในร่มเงานั้นอย่างที่เราเคยทราบอะ ด, ดิดบางอะ ด, ดิดที่บอกว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีเจ็ดจำพวกที่ชัดเจนมากนะครับจําได้ไหมว่าเจ็ดจำพวกนี้เป็นใครบ้าง<ช>เผื่อว่านะครับเผื่อว่าเราจะได้นะอยู่ในจํานวนหนึ่งในเจ็ดจำพวกนี้ฮะ อพี่น้องคิดว่านในเจ็ดจำพวกนี้พี่น้องอยู่ในกลุ่มไหนบ้างนะต้องต้องพยายามให้ได้นะครับต้องพยายามให้อยู่ในเจ็ดจำพวกนี้ให้ได้ถ้าพี่น้องไม่ได้อยู่ในเจ็ดจำพวกนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าพี่น้องจะอยู่ใต้ร่มเงาของลอสุบฮานุตะอัลลได้อย่างไงจําได้ไหมครับเจ็ดจำพวกนี้มีใครบ้างคนที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาอารัชร่มเงาของลอสุบฮานุตะอาลาะนวันแกมบอยากจะอยู่ไหม หรือว่าอยากจะอยู่กลางแดดหรือว่าอยากจะอยู่ท่ามกลางเหงือ่อที่เกิดมาจากความเขาเรียกว่าระดับของบาประดับของน้ําเหงือ่อที่ท่วมตัวมนุษย์ในวันถิมรรมเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับของบาปที่ตัวเองทําตอนที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่แปลกครับที่ อ, อัลกุรอานจะบอกว่าเราไม่สนใจเพราะไหมบางซูลราเนี่ยถึงขั้นกับบอกว่าต้องการที่จะเอาญาต เอาเมียเอาลูกเอาพ่อเอาแม่เนี่ยไปทำอะไรรู้ไหมไปไถ่กับอัลลอฮฺสุบฮฺามต่าละให้ตัวเองรอดในสุรษุลมาอาริจพี่น้องทำได้ไหมถ้าเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ถึงนะเวลาที่สมมุติไปนะว่าเอามีโจรมาจับตัวเราแล้วโจรก็บอกว่าเอาลูกมาไถ่เรากล้าที่จะเอาลูกมาไถ่เอายอมตายดีกว่าที่จะเอาลูกมาไถ่ถ้าเป็นบนโลกนี้ถูกต้องไหมฮะ ผมว่าคงไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ยอมเอาโรคมาไถ่ตัวเองให้รอดหรอกลูกของเราจะตายแหละไม่ตายแหละนี่บางคนถึงเขาเรียกว่ายอมเสียชีวิตยอมที่จะเสียสละชีวิตตัวเองให้กับลูกได้ถ้าเป็นบนโลกแต่ในวันอาครัตเนี่ยลักษัลลาบอกว่าในในสูรทูลมการิชอ่ายุบัสรูนัมยวัดูมุจริมลวยัฟตดีมินอซาบียมอิิมบิบนี อ๋อ <Allah> คนชั่วในวันกียตรติ์เนี่ยหวังแต่ทําไม่ได้หวังอย่างเดียวอย่าวัดดูหวังหวังว่าตัวเองนี่สามารถที่จะไถ่ให้รอดจากการลงโทษของอัลลอฮฺสุลต่านจากอะไรกับใครครับบีเบอนี่กับลูกของตัวเองไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวยังคิดร้ายด้วยซ้ำนะคิดชั่วด้วยซ้ํำนะว่าจะเอาลูกนี่ไปไถ่กับอัลลอฮฺสุลต่านจากอะไรไม่ใช่เฉพาะลูก ว่าสาวิตรีทอ خي เอาเมียฮเอาพี่น้องของตัวเองเนี่ยไปไทยให้ตัวเองรอดจากการลงโทษขอ ง, ขอ ง, งวัดคิดเอาเองว่ามันหนักขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าทำเป็นเรื่องเล็กๆ ก, กับวันเกียรมัดพี่น้องครับวันเกียมัดเนี่ยนะสองสุลรกษ์ที่ผ่านมาเราก็เรียนเรื่องนี้เหมือนกับว่าล็กสวรรตาลันเนี่ยเป็นวิธีหนึ่ง นะซุรอกอาบัสซาเนี่เราเรียนตั้งแต่แรกมาปรไปจนถึงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่มีกลิ่นอายของวันเกียร์มัดเลยแล้วอยู่ดีๆพอจบสุรอกเนี่ยมาแบบโอ้มาแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆแล้วน่ากลัวจริงๆเนี่ยลักษณะอย่างนี้ระวังให้ดีใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ต้องระวังโลกนี้เนี่ยมันไม่มีสิ่งที่ทําให้เรานึกถึงวันเกียร์มัดเลยนะสุขความสุขสบายเนีม่มีอะไรบ้างตรงไหนบ้าง ที่ทําให้เรานนึกถึงวันเกียร์มัดพี่น้องคิดว่ามีอยู่มีอยู่ตรงไหนที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยเรานึกถึงเกียร์มัดตอนไหนบ้างตอนกินข้าวนึกถึงไหมเกียร์มัดตอนใส่เสื้อนึกถึงเกียร์มัดไหมตอนอาบน้ํานึกถึงเกียร์มัดหรือเปล่าตอนขับรถนึกถึงเกียร์มัดไหมตอนไหนที่เรานึกถึงกียร์มัดใน24ชั่วโมงของเตอนทํางานตอนขายของตอนไหนอ่ะไม่ไม่ครับไม่มีเลยละอิละหะอิละล็อกยังไงอ่ะ นี <necessary. S 2> ่แหละที่อัลลอฮาแต่ลต้องการให้เราระวังระวังสิ่งที่เรากำลังเผลออยู่เนี่ยเพราะวันกมามันจะมาเนี่ยความตายเนี่ยมันจะมาแบบเราไม่ทันตั้งตัวอลมอันัายุดุนุนวลุนวซีตุนลุนวลุนวซีตุวฟัรุนนุมวทคาสุรุนฟิลอโมลิวอลอุลดมลิอจบลคุฟาระบัต ثمّ يهِجُ فَتَرَاهُمُ ا ل ف َ ر ّ ثُمَّ ي َ ك ُ و ن حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاتُ ا ل د ُ ن ْ ي ا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ن ี่สุร่าอัลฮะดีดนะสุร่าอัลฮะดีดที่อัลลอฮฺบอกวาเพงทาบเถิดว่าดุนยานี่คืออะไรดุนยานี่คือการเล่นละอิบนเด็กๆอายุสขวบขวบเนี่ยชีวิต ในแต่ละวันของเด็กคืออะไรบางทีไม่กินก็ได้ขอให้ได้เล่นละอิการละเล่นวันละหนุนโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งอายุสิบห้าสิบแปดสิบเจ็ดละหนุนละหุนก็คือไร้าสาระวันๆเนี่ยพวกวัยรุ่นให้ได้ดีดกีต้าร์ในบนกระท่อมถ้าเป็นแถวบ้านนอกเนี่ยนั้นดีดกีต้าร์บนกระท่อมแถวแถวปากทางแค่นั้นแหละ นะถ้าเป็นบ้านนอกหน่อยนะเขาจะเขาจะอยู่กันอย่างเง้ละหวนวันวันไร้าสาระไปเรื่อยกลับมาก็กินข้าวกินข้าวเสร็จก็มาอยู่นับรถออนั่นยี่ห้อโตโยต้านั้นยี่ห้อมาสด้าผ่านผ่านมากี่คันกลับไปกี่คันนั่นแหละวัยรุ่นละว่าซีน่ะจนุนอันนั้นเด็กผ่านไปแล้ววัยรุ่นผ่านไปแล้วซีนะ่ะเครื่องประดับอันนี้ของผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องสนใจ ถ้าพูดถึงเรื่องทองเรื่องกำไรเรื่องสร้อยเรื่องแหวนเรื่องตุง้มหูเรื่องอะไรนะทาปากทาหน้าเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันครับนี่คือดูของผู้หญิงวัตาคาสุร он, อุอะวัฟ้าขุานเบนกมอันนี้ของผู้ใหญ่ของพวกเราทุกคนแต่ซากดปวดเบ่งฉันมีเงินเท่านี้บัญชีของฉันมีเท่านี้อ้ามีธุรกิจเท่านี้อันนี้ของผู้ใหญ่ของอายุสี่สิบวัยกลางคน พอแก่ลงวะจะแก่สุรนฟิลอัมวาลิวลเอาลัดคนอายุหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยมีอะไรที่เป็นดุนยาสาหรับคนอายุหกสิบเจ็ดสิฮะลูกหลานจะแก่สุรฟิลอัมวาลิวลเอาลัดนับตังครับคนแก่ๆเนี่ยตังเยอะเดี๋ยวลูกคนนั้นเอามาให้เดี๋ยวลูกคนนี้เอามาให้โอ้ยหลานคนนี้ามาให้แล้วก็ไปนั่งคุยที่สภากาแฟ่อวดลูกของตัวเองกับคนอื่น ดุ尼亚ครับเนี่ยนับตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอรัสตาลาบอกว่านี่แหละคือดุ尼าของพวกเจ้าแกมาซาเรไรเิ น, นเหมือนกับน้ําฝนเห็นไหมเปรียบดุน尼亚เหมือนกับน้ําฝนแกมาซาเรไรเิ น, น, นอะจเบลกูฟ่อนนะเบอรน้ําฝนที่ลงมารดสวนเรือสวนไร่นะแล้วมันก็เขียวขจีเราก็ภูมิใจกับดุน尼亚เหลือเกิน นะทุกวันนี้นี่เราภูมิใจกับดุ n y าเหลือเกินหน้าตาหล่อแล้วมีครอบครัวมีแฟนมีเมียมีลูกมีทรัพย์สินมีครบทุกอย่างแล้วอยู่ดีๆซุมมายาฮียูฟัตตารอฮุมุสฟัรละนานวันเข้าดุ n y าเริ่มเหี่ยวแห้งร่างกายเริ่มไม่ไหวเริ่มมีโรคเข้ามาถามหาพยาคู่นูะซุมมายาฮียูฟัตตารอฮุมุสฟัรเหลืองนะซุมมาอะไรนะฟัตตารอฮุมุสฟัรละซุมมา พอตราวมุสลรัสมันจะเปนขุตามแล้วกลายมาเป็นซากไม่เหลืออะไรเลยแล้วพอเราตายมาเนี่ยไม่เหลือซากอะไรเลยอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลาวฺอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ่อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอัลลอฮอันลอฮอัลลอฮอัลลอฮ ถ้าไม่ใช่การลงโทษที่หนักการลงโทษที่หนักหน่วงก็จะเป็นวรรดวานุมมินอลาห์วมัศฟิรตุมมินอลอฮิวรรดวานก็คือการอภัยโทษจากล l l a h และความพอพระทัยของพระองค์สองอย่างนี้เนี่ยในสุรษอบาษาัสซากล่าวว่าอย่างนี้นะอย่างที่อย่างที่หนึ่งวูจูหุยเยูมอิซิมมุสฟิรัตพวกที่หนึ่งนะพอพอเจอกับวันเกียร์มัดพอเจอกับวันที่ นะครับวันแห่งความโกลาหลวันแห่งความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยในวันนั้นจะมีหลายใบหน้าที่มุสฟิร์มุสฟิร์กนีหมายถึงใบหน้าที่สดใสแจ่มใสเปล่งปลังปล่งนะครับเหมือนกับตอนเช้าคําว่าอัสฟาราอัสฟาลานี่หมายถึงเหมือนกับตอนเช้าที่มืด อ, อยู่ดีๆแล้วมันก็แสงสว่างนี่โผล่ขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้แหละคือมุสฟิร์นะครับแสงสว่างจ้ามีความสุขนะครับ وجوه يومئذ م ص ف م ي ي ص ن ن م م ر มมีใบหน้าบางส่วนในวันนั้นมีความเปล่งปลั่งมีราสีนะครับ ض ا ح ك h م س ت ب ش m m และก็ b a u g h หมายถึงหัวเราะไมีความพิถีพินดี mustabşırah มนก็ว่าได้รับข่าวดีอัลลอฮ ه อัลลอฮฺม a j e a و l a min hālāi al- โฉมหน้ามุสฟร์ัะรา อเมนยาบบะลอาเมน Allahu mejallamun a s h ah um a ال ั u น like <quedar idos. S 1> ี่คือประเภทที่หนึ่งของวันเกียรตส่วนประเภทที่สองว و ج و ه يوم إذن عليها غبار และใบหน้าส่วนหนึ่งในวันกิยรตนั้นบนใบหน้าของพวกเขานั้นจะมีฝุ่นจับอยู่ฝุ่นตรงนี้เนี่ย เป็นฝุ่นจริงหรือว่าเป็นฝุ่งเ ป, เป็นเป็นเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยนะจะเป็นได้ทั้งสองอย่างเพราะว่ามีการอธิบายว่าไอ้กบารุนว่าคดูรัลิมาตราวะมิมมะอัดดะฮุลลาหุลาฮะมินะลัดดาบคนที่ใบหน้าที่ดูไม่ได้เต็มคือสุบภานัลลแหะเวลาดีใจกับเวลาทุกข์ใจเนี่ยให้เราดูที่ใบหน้าก็พอ แปลกไหมอัลลอฮฺตาลาสร้างเรามาเนี่ยสร้างมนุษย์มาเนี่ยใบยหน้าในสําคัญที่สุดเห็น ไ, ไหมครับอวัยวะทุกส่วนถ้าเป็นอวัยวะภายนอกไม่รวมกับภายในเนี่ยใบยหน้าในสําคัญที่สุดดูดีเวลาที่เขาจะเลือกนะเลือกที่จะเป็นคู่ครองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเขาต้องถามก่อนว่าสวยไหมหลอม่อไหมนะเพราะมันมันเป็นส่วนที่ว่ามนุษย์เนี่ยให้ความสําคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นดูจากใบหน้าได้เลยอถ้าหากว่ายิ้ม สวยหน้าตาเปล่งปลัง่งวันเกจะแสดงว่าเนี่ยชอบหลอกหลอนใครในขณะที่ใบหน้าของคนที่อมทุกข์รู้แล้วว่าลเ ล, ลาจะอะลรกาลังเตรียมอะไรให้กับเขาเนี่ยอ่าดําค่ําเครียดเต็มไปได้วยฝุ่นนะเต็มไปได้วยความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรมาเต็มใบหน้าไม่มีทําอะไรไม่ออกนะทําอะไรไม่ออกหายใจเหมือนกับหายใจไม่ได้นี่คือใบหน้าของนะอุลอยกะนะตรหักห้ากัตระนะมีความดําคล้ําปกครึมมันอยู่ เกิดขึ Emmanuel, like th aan, ้นไม่เกิดขึ้นยังไงนะครับเป็นเป็นการที่อัลลอฮฺสุบฮานตะแลานั้นทรงทำนั่นเองนี้เหมือนกันเวลาที่เราอยู่บนโลกแม้แต่ในโลกนี้เนี่ยเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับว่าอัลลอฮฺหัวอกเต็มไปหมดไม่รู้มาจากไหนนะครับไอความรู้สึกว่ามีอะไรมาปิดหน้าเราอยู่เอาอัลกุลละห์มันไดลยเอาอัลกุลละห์มันได้เลอุลัยค่ะฮุมุลคาธาระตุลฟาจร คนพวกนี้นะครับคนที่ว่ามีใบหน้าดำเครียดนะครับใบหน้าที่เต็มไปได้วยฝุ่นเนี่ยคือพวกที่อัลกัฟระพวกที่ปฏิเสธ Allah سبحانه و تعالى والفجرة ا ل ك ف ر นะปฏิเสธ Allah ยังไม่พอแต่ทำชั่วด้วยสองอย่างนี่สองอย่างระหว่างกูฟรกับฟูจูรนะ อัลกุฟูร์วัลฟูจูร์กุฟรก็คือปฏิเสธฟูจูรก็คือการทำผิดการก่ออชาชญากรรมอาการทำผิดการทำมะกเสียดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ด้วยกันตลอดแปลกไหมส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ด้วยกันการทำผิดส่วนใหญ่จะอยู่กับการกุฟฟูสอัลลอฮ์ไม่มีใครที่ทำผิด พอเราไปค้นค้น ค, น ค, น ค, นคนในหัวใจเขาสาเหตุที่มาที่ไปของการทําผิดเนี่ยจะเกิดมาจากการที่เขานั้นมีกูฟอร์อยู่มากน้อยเนี่ยคนละเรื่องแต่จะต้องมีกูฟอร์อยู่มันเหมือนกับว่าการกูฟอร์ซึ่งตรงกันข้ามกับการอิมานกูฟอร์ตรงข้างของมันก็คืออิมานอิมานตรงข้างของมันก็คือกูฟอร์ใครก็ตามที่มีอิมานเนี่ยเขาทําผิดไม่หลง Allah تعالى ขอหนึท่านเบบีซัลลัลลอฮฺสัลลามบอกว่าไมยื้นจีน่าพนยื้นวะฮ์วะมุ่มมินคนที่ทําผิดจีนาจะไม่ทําจีนาในขณะที่มีอิมานอยู่ในหัวใจนี่แหละที่ผมบอกว่าคนที่มีอิมานเนี่ยทําผิดไม่ลงแต่ว่าที่ตอนทําผิดเนี่ยสแสดงว่าอิมานไม่ได้อยู่ในหัวใจช่วงนั้น นั่น إ ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวอาจจะโดนชายตอนหลอกไปชั่วครู่ชั่วขณะมีกูฟู้เข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยจากการทำผิดต่อโลกสุภาโนต่ะละจะต้องเช็คอิมันอยู่ตลอดเวลาอย่าให้อิมันระดับของอิมันของเราอย่าให้ลดอย่าให้หมดอย่าให้หมดถังเหมือนเวลาที่เราขับรถเครื่องอ่ะอย่าให้น้ามันหมดถังรีบเติม พอเห็นน้ำมันมันลดเนี่ยรีบไปที่ปั๊มเลยไปเติมน้ำมันเลยให้มันไปต่อได้เมื่อไหร่ที่น้ำมันหมดปุ๊บนะไปต่อที่ปั๊มไม่ทันเนี่ยสมมตินะทิ้งเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยรับรองเลยครับไม่ทันกี่วันเครื่องเบี้ยงนะรถจอดไว้เฉยๆเนี่ยไม่ใช้ประโยชน์ไม่ใช้งานมันเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ดับอยู่งนั้นต้องรีบเติมน้ำมันต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลากูโฟล์ดเนี่ยจะอยู่กับมสัสยิดตลอด ในขณะที่อีมานจะอยู่กับป่ออัลจะอยู่กับการทำดีที่มาของการทำชั่วคือการที่หัวใจไม่มีอิมานที่มาของการทำดีก็คือการที่หัวใจนั้นมีอิมณัณเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตรัสว่าเลยรวมระหว่างอัลกัฟระอัลฟาจระถ้ามีกูฟอร์เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นตัวเรียกให้มีฟาจาระ เ, เรียกหาความชั่วเข้ามาัทงที่เลยนะอุบิละ Allahu Akbar لا إله إلا الله และนี่ก็คือบทสรุปจากสุราอัลดาษะนะครับจากแรกที่อัลลอฮฺ تعالى พูดถึงการที่มีชายคนหนึ่งเข้ามาหาท่านนาบีสุลต่านเป็นชายตาบอดเป็นชายตาบอดที่ต้องการหาฮีดายัดต้องการหาคําแนะนําของท่านนาบีลสุลต่านเกี่ยวกับอิสลามแต่ท่านนาบีทาเป็นไม่สนใจเพราะกําลังยุ่งอยู่กับ คนที่ท่านคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าต่อนะความเคลื่อนไหวต่อกระบวนการทํางานอิสลามของท่านละตาลาก็เลยตำหนิบอกว่าอย่าทําอย่างนี้เพราะฮิญาต์เนี่ยไม่จํากัดคนไม่จํากัดประเภทคนถ้าเป็นคนแบบไหนก็ถ้าเขาต้องการอิสลามเราก็จะต้องมอบ ใ, ในขณะที่นะครับคนที่ทํากาเฟ่เนี่ยละตาลาคนกาเฟ่หรือว่าคนที่ไม่ไม่ไม่ศรัทธาต่อลอสซ า, าลาเนี่ยละตาละก็อธิบายว่าทําไมที่เป็นถึงขนาดนั้น นะคนที่ระดับมีมันสมองฉลาดฉลาดแต่ยังกาเฟรตอรตอลล์สวาลต์ละเนี่ยเหมือนกับหัวโจกในสมัยของท่านนบีสโลโละสัลสลัมเนี่ยลักลาะอธิบายให้ท่านนบีเข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรไม่มีสาเหตุอะไรเลยนะครับที่เขาเนี่ยจะปฏิเสธอัลลอฮ์เพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ใช้แนมัดขออัลลอฮ์อยู่แต่เขาไม่ได้คิดแค่นั้นเองนะใช้แนมัดขออัลลอฮ์อย่างโน้นอย่างนี้ลักษณะก็เลยเตือนให้เราเนี่ยนะให้มนุษย์ทุกคนเนี่ย ได้ตระหนักได้สํานึกว่าวันเกียตรติ์เนี่ยยังไงยังไงมันก็จะมาถึงอัลลอฮฺสั拉ใช้คําว่าจะใช้ใครที่เรียนภาษาอ раб จะรู้เลยว่ากริยาตรงนเนี้ยกริายาคําว่าวันเกียรติจะมาเนี่ยใช้ فعل ที่เราเรียกว่าแฝลนมือตีกริยาเนี่ยเขาเรียกว่าออเออทนอะไรนะ past tense past tense past tense ก็คืออดีตการกริยานี่เป็นอดีตการ ja at เป็น past tense ทำไมอัสสลา์ไม่ใช้ future tense ไม่ใช้อนาคตฮะเมื่อวันเกมยติไฟจะตัดจีอสาะฮ์ไม่ใช้ future tense นะฟอัลมุระภาอรือัาเพราะอะไรเขาไร้กว่าสำนวนบลากอในภาสารับเนี่ย การที่ใช้ past tense เนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันว่ายังไงยังไงกียรติ์ก็จะมาอย่างแน่นอนไม่ใช่อนาคตและมาแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ future tense ใช้ past tense เลยเหมือนกับว่ามันมันถูกบันทึกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วใน suhu fimmukarama ah. นั่นใน lawul mahfuz ของอัลลอฮฺบรหูตะลาว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันไหนปีไหนอะไรอย่างเง้ยอัลลอฮฺตะลาไม่บอกแต่มันจะต้องมาอย่างแน่นอนเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตแบบที่สุขสบายจนเราลืมว่าวันเกียรมมันเนี่ยจะโจรปีเขามาหาเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวแต่วันเกียร์มันจะมาหาเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวความตายก็จะมาหาเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะครับอัลลอฮฺเบลลาห์ดีดเพราะฉะนั้นจะต้องรักษาสภาพเขาเรียกว่าจะต้องรักษาสภาพของตัวเองอตลอดเวลาให้เป็นมุสลิมอยู่ตลอดเวลา ولا تموتون إلا و أ ن ت ุ م س ل มู ن อายัดน <i discussion> ี้เนี t <t <aining> ่ยผมเคยอธิบายแล้วพี่น้องข้างนอกบอกว่าอายัดนี้เนี่ยอิบนากะซีรอธิบายว่าเวลาที่ตัวเองสบายเนี่ยอย่าลืม Allah มาึงว่า حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم อัลลต้าราบอกว่าอย่าตยนอกจากในสภาพที่ท่านเป็นมุสลิมอิบนุกะซีรอธิบายว่าจงรักษาอิสลามตอนที่ท่านสุขสบายดี ตอนที่ท่านยังกินได้ตอนที่ท่านยังดื่มได้ตอนที่ท่านยังมองได้ตอนที่ท่านยังฟังได้ตอนที่ท่านยังขยับมือได้ตอนที่ท่านยังเดินได้เนี่ยรักษาอิสลามให้ดีอย่าลืมอิสลามจงทำตัวให้เป็นมุสลิมในขณะที่ท่านกำลังสุขสบายอยู่เพราะมันอาชอเลห์ฮิมาตาเลหฮิใครที่มีชีวิตอยู่ในสภาพใดตอนที่เขาสบายถ้าตอนที่เขาสบายเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ด้วยการตอนอัลต่ออัลล เขาก็จะตายในสภาพที่ต่ออัตต์ตอบลอสุภาน a l t o g e t h e ตอนที่เขาไม่สบายนะถ้าหว่าตอนที่สบายเนี่ยใช้ชีวิตในสภาพที่มักเสียต่อ Allah ระหว่างที่เวลาที่เขาไม่สบายเนี่ยเขาจะตายในสภาพที่เขานั้นทําผิดต่อล l l a h สุภาน a l t o g e t h e นี่คือความหมายที่บอกว่าวลามู ل ุน م و ت ล إ ل ว وأنتم م ุ ل م و มตอนสบายอย่าลืม Allah นะตอนที่เรามีกินตอนที่เรามีอังุนตอนที่เรามีอะไรนะ้นไจตูนตอนที่เรามี พืชตอนที่เรามีผ ล, ลไม้เนี่ยรักษาอิสลามให้ดีอย่าละเลยต่ออิสลามเพราะเวลาที่ความตายจูจ่โจมาหาเราเนี่ยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะลาจะให้เราเสียพระเสียชีวิตในสภาพที่เรายังเป็นมุสลินในสภาพที่เราเป็นมุสลิมเรารักษาความเป็นอิสลามของเราจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตของเราแล้วเราก็จะได้รับจะได้อยู่ในกลุ่มพวกอ uh ูยูฮุนเยาวมาอิซิมมุสฟิร์ฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับช่วยกันขอดูอ่ให้รอดพ้น นะครับจากอาซาบของอัลลอฮ์สุลตานตาลาช่วยกันรักษาตัวเองช่วยกันดูแลตัวเองช่วยกันดูแลครอบครัวช่วยกันบอกบอกกับลูกเลยครับมาท่านนาบีนี่เคยพูดกับฟาติมะอัลลออักบาร์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยถ้าใครศึกษาชีวประวัติของท่านนาบีสุลตานอสลามนี่จะเห็นว่าละอิละอิลลอหนะท่านนาบีเคยเรียกฟาติมะมา เรียกฟาติมะซึ่งเป็นบุตรสาวคนสุดท้ายที่เสียชีวิตหลังจากท่านนะครับบอกเรียกฟาติมะมาบอกว่าฟาติมะเจ้าต้องการอะไรจากฉันแซลีนีมาชิติขอเลยถ้าเจ้าอยากจะได้อะไรอยากจะได้อะไรตอนที่ฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยขอเลยขอดุนียขออะไรก็ได้ขอจากฉันฉันจะให้หมดเลยฟาเอนีลาอูรนีอั้งทีบินะลอฮีชายอ้อก็มาข่าวอะไรสักตัวสั่งฝอฉันเนี่ยพอถึงวันที่อัมัดเนี่ย ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเธอเนี่ยแม้แต่นิดเดียวแล้วถ้าหากอาะไระจะลงโทษเธอลูกสาวของนบีลองคิดดูเพรานั้นสอนลูกเลยครับอยากได้อะไรจากพระันโลกนี้ขอมาเลยนะแต่ว่านะขอให้อยู่ในอาครคขอให้อยู่ในอิสลามเพราะถ้าถึงวันอาครเมื่อไหร่นี้พระช่วยเธอไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วครับ ละหมาดเองถือศีลอดเองนะบนโลกนี้เนี่ยปะช่วยได้ก็คือให้ตังให้น่นให้นี่แต่ว่าถ้าเธอไม่ละหมาดถ้าเธอไม่จ่ายสกาดถ้าเธอไม่เป็นคนดีต่อร่องเบาแต่ละวันอาเครัตเนี่ยปะไม่ช่วยแล้วช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้อะไรเนี่ยถามตอนนี้นะอยากจะรู้ศาสนาอยากจะเรียนศาสนาอยากจะอะไรเนี่ยมาขอตอนนี้ขอตอนทีเน่เราต้องสอนลูกอย่างนี้ให้เขาเข้าใจว่าพอสมวันแกมาสิอย่ามาโทษประอย่ามาโทษเรา อย่ามาบอกว่าป่าไม่ได้สอนฉันป่าไม่ได้ช่วยฉันนี่คือวิธีการที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพราะถ้าหากเราไม่อยากจะอยู่ในสภาพที่ว่าพอเจอลูกแล้วหนีนะ่าก็นะครับเอาสุบิลแหละมินดาลกมีโอกาสที่เราจะได้อยู่กับลูกหลานในวันเกียรตินในสภาพที่มีความสุขได้ถ้าหากว่าเราและลูกหลานของเราเนี่ยอยู่ในคันลองของอิสลามทุกคน อัลลอฮฺุตุสางกาละก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้สำหรับซัวร์อันภาษาว่าคงจะเป็นบทเรียนแก่พวกเรานะครับอยางมากมาอัลลอฮฺุตุสางการละอัลลอฮุนับีนฺอุมลิมาุฮิบุวยรดอัลลอฮุัีอลัลัลลฮลอสลมอลาะลลอฮากา